9. ราชวัครหนึ่งอันเตปุระสิกขาบท 136. ถามพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นทรงบัญญัติปาจิตตีแก่ภิกษุผู้ไม่ได้รับแจ้งล่วงหน้าเข้าไปพระราชฐานชั้นไหนณที่ไหนตอบทรงบัญญัตินกรุงสาวัตถี ถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบท่านพระอานนท์ถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ท่านพระอานนท์ยังไม่ได้รับแจ้งล่วงหน้าเข้าไปพระราชฐานชั้นไหนในอันเตปุราสิกขาบทนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัตหกสมุดฐานเกิดด้วยสมุดฐานสองสมุดฐาน เป็นกัธินะสมุทฐาน